f t languages. y u oral. ธรรมชาติยรกยลคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะวุักอันดะโกุรัมเตริรคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ วุ க ் க อัน் த ம มைลெยி க ி ற த ாรดคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะวุณักอันดับกราวม் தெரிகிறதா คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะว ன க ั க อัน் த ந นி தெரிகிறதா คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะวุณักอันดับพอลมเตริฮิระด คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะยานัก อ, อันดับเยี่ยนิเตริฮิรดดิฉันชอบนกตัวนั้นยานัก อ, อันดับปาราวยปิดิริเคระดิดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นยานัก อ, อันดมัมารมปิดิริเคระดิดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ เย็นักอินดักคลัลปิดทิริกิรดุดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นเย็นัก்ันดับปุ่งก้าปิดทิริกิรดุดิฉันชอบสวนนั้นเย็นัก் த นดับโต๊ะตั้งปิดทิริกิรดุดิฉันชอบดอกไม้นี้เย็นักอ பூ பிடித்திருக்கிறது ดิฉันว่านั่นมันสวยเยนักอดสอรกาะกติริกีรดุดิฉันว่า น, น, นั่นมันน่าสนใจเยนักอดสวารสยมาะกติริกีรดุดิฉันว่านั่นมันงดงามเยนักอดมิ வ ு ம ் அ ழ க ா க த กติรிกีรดุดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด எனக்கு அது அ வ ลั்ช ண ம ா க த ์ทเทிร த ีรிิดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อยานักอดซา ப ิปเยร์ปัต த ุวดาห์ท த ெ ர ி க ி ற த ுดิฉันว่านั่นมันแย่ยาน க กอดโคดูรามาห์ท தெரிகிறது